โชความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงประโพธิญาณได้นำเสนอหลักธรรมในพระไตริดกสืบต่อกันมาจนถึงพระยาศากุลบุตรได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าในคราวนั้นก็ได้เกิดพระหันขึ้นในโลกเป็นเจ็ดรูปด้วยกัน คือพระพุทธเจ้าปัญญวาาิคีแล้วก็พระยะศสะก็จะพักเรื่องในประไซวิดดกไว้สักช่วงหนึ่งเพื่อนำปัญหาที่มีผู้ถามมามาตอบคือสลับกันไปบ้างเพราะว่าในประไซบิดดกค่อนข้างเป็นวิชาหลักวิชามากแล้วก็บางเรื่องก็ยาก ใกล้ตัวด้วยแต่ปัญหานั้นค่อนข้างจะกล้ตัวเพราะว่าเป็นปัญหาของคนทั่วไปเป็นนักศึกษาบ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นพระบ้างเป็นนักเรียนบ้างก็แล้วแต่วันการตอบปัญหามันก็เป็นเรื่องในชีวิตประจาวันของคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในปนญหาสอาถามว่าหากเราเป็นผู้นำการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดผลสำเร็จเราควรปฏิบัติอย่างไรเราต้องเลือกระหว่างงานสำเร็จกับความขัดแย้งกันด้านความคิดที่ค่อนข้างจะรุนแรง กับเพื่อนร่วมงานในฐานะเราเป็นผู้นํำควรเลือกสิ่งใดผู้นําในการทํางานน่ความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ว่างานถ้าเราทําโดยลําพังเนี่ยเราก็ทาไม่ได้มันต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะฐานะผู้นําเนี่ยต้องเอาคน้ามาเป็นพวกให้ได้ก่อนทาไมสามารถนําใจของคนอื่นมาเป็นพวกได้แล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสาเร็จในการนำเนี่ย มันต้องเข้าถึงจิตใจของเขาผลหลักการสำคัญในการเป็นผู้นำจึงต้องมีหลักของการสั่งหาวัตถุนี่อุ ber, Marie, it, ay, au, ปมารรวจร์ส่งครอบประชาชนวางตนเข้ากับเขาได้ไม่ห่างเกินไปไม่ใกล้ชิดเกินไปขึ้นอยู่กับเราอยู่ในฐานะอะไรเจ็นอยู่ในฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้หน่วยการกองเป็นอาจารย์ใหญ่เป็น ผู้ใหญอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็ไม่ควรจะห่างจากผู้ใตบ้บังคับบัญชามากเกินไปเพราะว่าควรจะทํางานในฐานะเป็นเพื่อนร่วม ง, งานไม่ควรจะทํางานในฐานะเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาคนอื่นควรจะได้เกียรติทยกย่องตามสมควรแก่สถานะเพราะสีอะไรมันก็ไม่ห่างอะไรกันนะั่นนะคือทํำยังไงว่าต้องให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันไว้มันควรจะไปด้วยการความสําเด็จ งานก็เกิดแต่ว่าเกิดแตกแยแกกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะคือเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้มีประสิทธิธภาพไม่ได้จะต้องเอาใจคนมาเป็นพวกตัวเองแล้วก็งานก็ประสบความสาเร็จ น, นั่นคือเนื้อหาสาระในการทำงานจะเอาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถึงจำเป็นต้องเลือกนะฮะก็ต้องเลือกออกงาน คนก็ตามไปแก้ไขในภายหลังเดททิ้งคนไม่ได้นะฮะคือการทํางานในเรื่องคนก็หนึ่งหนึ่งก็คนสองก็คนสามก็คนเนะ่ะมันต้องเริ่มต้นที่คนให้ได้แต่คนนี่ยคนจะต้องมีการศึกษามีการนําความเข้าใจกันอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมื่อวันที่สี่นะ ก็แม้จะเป็นการเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรที่จริงก็สอดแทรกว่าเยอะนะฮะและโดยประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความเห็นของเราเองไม่ได้ยุติบางทีวันนี้เราพูดอย่างพรุ่งนี้เราพูดอย่างวันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้คิดอย่างหนึ่งคือทำยังไงวะอย่าให้ขัดแย้งกันตัวเองอย่าขัดแย้งกับตัวเองและตัวเองอย่าขัดแย้งกับคนอื่น แต่ถ้าเกิดขัดแยง้งมาต้องหาจุดประสานให้ได้เพราะต่างคนต่างเป็นข้าของแผ่นดินที่จะต้องทำงานเพื่อรับใช้แผ่นดินตอบแทนอุปการะคุณของแผ่นดินให้ได้ความสำเร็จในการบริหารจึงไม่ได้อยู่ที่ความเชียบขาด พอใจก็ไล่ไม่พอใจก็ลงโทษอย่างนั้นมันเปิดแนวรบเต็มพื้นที่มันรบไม่ไหวหรอกคือเวลานี้มันใช้แนวของเพื่อนร่วม ง, งานเนี่ยมากแม้แม่แต่ระดับผู้บริหารต่างๆก็ยังใช้แนวเพื่อนร่วม ง, งานในการเรียนหนังสือจะประสบปัญหาขาดสมาธิมีนิยมครอบงำ ทำอย่างไรจะขจัดนิวรณ์ออกไปได้เพื่อให้การเรียนนั้นมีความต่อเนื่องไม่เสียสมาธิและได้ผลมากที่สุดนิวรณ์เป็นปนัญหาใหญ่มันต้องสงบด้วยระดับของฌานนะไม่ใช่ระงบสงบได้ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าในชั้นของการเรียนหนังสือนั้นถ้าเราปลูกฉันทะอิธิบาทสี่ขึ้นไว้ในหนังสือนะ ลูกฟังอิธิบาทสี่ไอ้มีความหนักแน่นมันคงมากพอแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียนหนังสืออย่างสงบได้ผมไม่สงบมันก็เริ่มทำสมาธิใหม่ไม่สงบก็เริ่มทำสมาธิใหม่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าจะให้สงบต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเนื้อหาของหนังสือเองมันก็ไม่ไม่ทำให้เรานิง่ง เราก็ต้องคิดตามหนังสือไปแต่ว่าทำยังไงวะให้ความคิดมันอยู่กับหนังสือที่เรากำลังอ่านอยในขณนะนั้นนั้นเนี่ยอย่างนี้มันก็ไปได้แล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยตาเราดูหนังสือปากเราอ่านหนังสือหูฟังเสียงตัวเองแล้วก็ใจก็กาหนดข้อความไปถ้าทำได้อย่างนี้สมาธิมันก็เกิดระดับการอ่านหนังสือไม่ใช่ระดับฌาน รั บ, บการอ่านหนังสือให้ให้อยู่ด้วยสมาธิได้มันก็พอแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องไปวิจิตพิสดารอะไรมากแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปต้องอ่านให้ดังๆนานๆที่เขาเรียกว่าเรียนในรู้ดูวยจำทำไม่ได้ใช้ให้เป็นแล้วก็ เราจะเกิดเป็นความสงบเป็นความรู้เป็นความเข้าใจแต่ไม่ใช่สงบนิวรณ์ได้อย่างสิ้นเชิงนะหมายความมาสงบกันได้ในขณะ น, น, นั้นนะั้นน่ะคือจิตเนี่ยมันคิดอารมณ์ได้อย่างเดียวในขนาดเดียวเมื่อจิตแกคิดถึงเรื่องหนังสือก็แสดงว่าแกก็ไม่ง่วงห อ, อกแล้วก็ไม่ถูกนิวรณ์ข้ออื่นครอบงำโดยเฉพาะท่าน ง, ง่วงมากมันก็บริหารร่างกายเสียบ้างอาบน้ําเสียบ้างลุกขึ้นเต้นอะไรเสียบ้าง ขึ้นเดินส่บ้างเอี้ยวตัวดัด ต, ตัวอะไรต่างๆเนี่ยทาโดยเวลาสมควรแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำจนตลอดไปนะฮะเห็นว่าพอเวลาสมควรมันก็ต้องพักคนเราเก็ธรรมดามต้องพักผ่อนไปเรื่องธรรมดาข้อต่อไปถามว่าเมื่อลาสิกขาแล้วในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนข้าพเจ้าจะทดแทนพระคุณของพระพุทธศาสนา หรือบังรุงพระศาสนาได้อย่างไรบ้างจึงจะเหมาะสมตามนุองควรแก่ฐานะนี่ก็เป็นคำถามของพวกนวากะนะคือการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยโลกาวโดวยสรุปก็คือต้องตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องาศาสนธรรมในทางาศาสนา แล้วประพฤติปฏิบัติตนไปในฐานะที่เป็นคารวะาก็เรื่องทานศีลภาวนาโดยเฉพาะศีลกับภาวนาเนี่ยทำไม่มากน้อยทานอาจจะไม่ต้องมากก็ได้เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ไปนเน้นที่ศีลกับภาวนาให้มากไว้าแล้วก็ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วเมื่อตัวเองได้รับผลจากธรรมะและว้วควรจะบอกกล่าวชี้แนะสั่งสอนบุคคลอื่นให้ถือตามปฏิบัติตาม แล้วก็ยามที่ศาสนามีพยันตรอันตรายมีภัยมีปัญหามีอันตรายอะไรขึ้นมาให้ช่วยการปกป้องรักษาศาสนาช่วยการดูแลเอาใจใส่อย่าปล่อยประละเลยอย่าถือว่าธุระไม่ใช่พระศาสนานี้เป็นสมบัติของมนุษยชาตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธริษัทนเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ เรื่องมันไม่ใช่ง่ายเรอ้อที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักองค์หนึ่งเนี่ยถ้าเราปล่อยธรรมะหายไปจากโลกเนี่ยโลกจะสูญเสียอย่างไม่มีอะไรที่เสียท่ากว่านั้นคนต้องช่วยกัน ร, รักษ า, าศาสนธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเผยแพร่ด้วยการช่วยกันดูแลรักษาศาสนาเขอต่อไปถามว่าข้าพเจ้าเคยอ่านคําทํานายของนอตราดามุตว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 3, สามศาสนาอื่นจะฆ่าฟันกันหมดจะเหลือแต่ศาสนาพุทธจะเกิดความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธาใหม่ขึ้นโดยเนื้อหาคำทํานายนั่นโยงไปถึงว่าผู้คนพบศรัทธาใหม่คือองค์หลวงพ่อสดปานอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ว่าเป็นนิทานไปนะ คือนอกจากดัมมุดเนี่ยมันเป็นการตีความมือหวยออกแล้วหมายความว่าก็พยายามจะตีความให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนที่แปลเรื่องนี้ก็ที่จริงก็เป็นคลิตนันนะฮะแต่เขาก็ต้องการมวลชนของเขาก็เอาหลวงพ่อสดขึ้นมาเชิดชูก็ทําทีเป็นว่า ศรัทธาใหม่อย่าลืมมหลวงพ่อสดนะตายไปตั้งนานแล้วนะหลวงพ่อสด ต, ตายไปตั้งเท่าไหร่กี่ปีได้เนี่ยสามสี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยกรวมสี่สิบปีแล้วนะรู้สึกจะสี่สิบกว่าปีแล้วมัง้งอ่ะอันนี้ก็พยายามที่จะพูดไปช่วยเหลือทางธรรมกายนะมันเป็นวิธีการดังหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอ เราจะเห็นว่าศาสนาสมมติว่ามีสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยคนก็จะเยอะต่อไปเนี่ยเพราะเขาไม่วางแผนครอบครัวไม่ได้คุมกําเนิดแล้วก็ประชากรเขามากก็อยู่โลกอิสลามแล้วก็ผู้ชายก็แต่งงานได้หลายคนเพรา ะ, ะนนคนท่วนใหญ่จะเป็นอิสลามเนี่มากรองลงมาก็เป็นคริสรองลงมาถึงจะเป็นพุทธนะฮะ คิดเองก็จะสู้อิสลามไม่ได้ในโอ ก, กาศต่อไปเนี่ยจํานวนคนเขาคิดก็จะมากกว่าแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ตีว่าศาสนามันจะหายไปไง่ายๆเนี่ยศาสนาไม่มีทางหายได้ง่ายหรอกแม้แต่ศาสนาที่ตายไปแล้วเนี่ยที่จริงมันยังเหลืออยู่ในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีจารีดแบบแผนวัฒนธรรมต่างๆคล้ายๆกับอินเดียเนี่ยถ้าเราไปอินเดียเราสังเกตว่าวิธีของพูดยังอยู่อีกเยอะในอินเดียเนี่ยอินโดนีเซียยิ่งแล้วใหญ่เลย แต่บาหลีชวาเนี่ยจะมีวิถีของพูดอีกเยอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยพระศาสนามันอยู่ที่จิตใจของคนเนี่ยคนเ็ากรบรับถือเ็เถิดทูลเขาประพฤติปฏิบัติไปตามหลักศาสนานั้นๆศาสนามันก็อยู่ได้โนอาหาดามูดก็ทำนายไปอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องที่ปลุกเสกกันขึ้น แล้วก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับแทงหวยอะ่ะคนคนแทงหวยแล้วมีคนใบหวยแล้วก็หวยออกแล้วแล้วก็พวกนี้ก็มาใบาถูกถูกตามที่ตามที่ก็ใบ้ไว้นะฮะแล้วก็โทษตัวเองว่าตีความผิดใบหวยตีความใบหวยผิดเลยไม่ถูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระแก่นสารอะไร เมื่อก่อนตอนสัดดำเกกะก็บอกสัตัดดำจะเป็นตัวจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองดวงไฟใหญ่จะมาอะไรต่ออะไรตร้องเงียบเไปอ่ะแล้วก็ตัวมัวมัวตัวตหนึ่งก็เป็นมัวมากดดากฟรีเราลองสังเกตะพวกนี้มันจะไปอาศัยกระแสที่ขอโดยสารกระแสเขาเออถ้าไปถูกก็แล้วไปนะฮะคนเขาก็ไม่สนใจเพราะมันเป็นกระแสหนึ่งท่านั้นเอง แต่พอถูกเนี่ยมันก็ะือโหมได้มันก็ะือโหมได้ก็ทําให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์มันก็ขายหนังสือได้การหนังสือได้เยอะนะฮะสมมุติว่าทําทํานายคนนอจาร์ดมุตเกิดตรงขึ้นมาพวกหากินด้วยนอจาร์ดมุตก็รวยไปอีกมันมันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกมนุษย์ยุคสมัยของมนุษย์เองเนี่แหละจะคิดแก้ไขกันมนุษย์แต่ยุคแต่ละสมัยเนี่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมาเอง คนที่ตายไปตั้งสี่ร้อยกว่าปีจะมาช่างให้ได้ยังไงมันก็อยู่ที่คือพลังศรัทธาทางศาสนาเราอย่าลืมนะฮะว่าอิสลามก็กมีมัตยิดของเขาพิธ ก, ก็มีโบทของเขาพุทธก็มีวัดของเขาอ่อินเดียก็มีเทวะลายของเขาอะไรแต่อะไรเนี่ยมันมีชีมันมีคนมันมีคำภี์มันมีครบทุกอย่างเนี่ยแล้วใครจะทำลายได้ง่ายๆอ่ะ คนมันเกิดมาเกิดศรัทธาเลื่อมใสมันมันก็แล้วแต่ใครไงนะอย่างที่อะไรทหารอฟริกันอเริกันทหารพวกที่ที่อฟริกาเนี่ยที่ที่อเมริกันนิสถานเนี่ยนะที่เป็นเป็นเป็นอิสระอ่ะเป็นอเมริกาอยู่คนหนึ่งอ่ะมันก็แปลกนะเป็นคนคลีดเติบโตมาในคลีดการศึกษาก็ดีแต่เลื่อมใสศาสนาอิสลาม ทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านเรือนมารับใช้พวกอิสลามมายอมเป็นทหารในกองทัพตาลิบันเออมันก็แปลกอะ่ะเห็นไหมเหตุการเหล่าเนี้ยมันมันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉั้นความเชื่อบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันหรอ ก, กคือทำอย่างไงว่ า, าศาสนาจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรนี่พอแล้วอะอย่าคิดตัวาาศาสนาใดขาดาศาสานาใดไหนเหลือเลย แล้วก็ไม่มีกระแสใหม่แล้วกระแสใหม่มันต้องหลายกระแสแล้วให้มีตัวเลือกอ่ะมันเหมือนกับสินค้าจะนิดเดียวกันเห็นไหมตั้งหลายยี่ห้อรถก็ต้องมีหลายยี่ห้อมนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะมนุษย์มันไม่พอใจสิ่งเดียวกันหรอกไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ต่างคนต่างก็พอใจในลัทธิใหม่ศรัทธาใหม่ศรัทาใหม่มอมอนเขาอาจจะว่าเขาก็ได้นะฮะ ศาสนาบาใครอาจจะว่าเป็นเขาเองก็ได้หรือว่าธรรมกายอาจจะว่าเป็นเขาก็ได้ใครๆโพธิคกรอาจจะว่าได้แต่นั้นเนี่ยสตารใหม่นเนี่ยคนในโลกนี้ไม่มีใครเพี้ยนอะไรขึ้นมาก็เพี้ยนไปๆมันมีคนนับถือจันได้แหละมันอยู่ได้ฮะอยู่ได้ธรรมดาในโลกเนี้ยผีสางนางโกงอะไรต่างๆอย่างหากินได้ไหมผีปอบผีกระสือผีกระหังผีอะไรอะไรยังหา ก, กินได้ตลอดอะโลกตลบนะโลกมนุษย์่จริง ตลกคือคือว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกมีคนเข้าสนับสนุนจนได้เรื่องบางเรื่องไม่มีเหตุมีผลอะไรหรอกอย่างนี้นอกจากดามุดเนี่ยคนก็พิมพ์ขายพวกก็รวยแห่กันไปซื้อก็เป็นแสนแสนเล่มเนี่ยนะเข ก, ก็รวยไปแต่ว่าสมมติว่าเรื่องมันจริงเนี่ยมันมันมันมันจะเป็นอะไรขึ้นมามนุษย์ยุคท่นนคานก็แก้ไขกันเอง มีอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันไปก็ต่อไปถามว่าพระพุทธเจ้าที่ปังกรคือใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพระที่ปังกรเป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นบุตรเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อสียสงไข่กับกมัยแสนกับผ่านมาแล้วนะฮะก็เป็นราชโอรสของกษัตริย์เมืองอบราวดี ประวัติก็ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเราเนี่แหละแต่บรรดุ่ยเหมันนานเลกาเลแล้วอ่ะนะไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร่จะเสียสงไขยกับไม่แสนกลับกว่าแล้วด้วยทั้งไปพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของพระทีปั่งกพ ร, รพุทธเจ้าเอื้อเสด็จเข้าไปสู่อมราวดีนครแล้วก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าต่อไปนั้นสุมเมธมนต์นะตอนนั้นเป็นสุมเมธดาบุ แรจะเด้จับฉลูปเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมหลังจากพระองค์ไปสี่แสนสงไข่กับแสนกลับไม่มีการบันทึกประวัติรายละเอียดไว้หรอกเราก็รู้ตามเรื่องของพระโพธิสัตว์ปนอยู่ในเรื่องโพธิสัตนิดเดียวนั้นเองถามว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงตั้งพระไถ่แน่แน่ อที่จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรไม่ไม่ใช่คือบารมีบารมีของคนสร้างบารมีมาก่อนหน้านั้นไม่ใช่อย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรเราอยากเป็นพระพุทธเจ้านะที่จริงเป็นก็ไม่เหมือนกันหอกพระทีปังกรนะอายุยืนเยอะอายุยืนมากถ้าพระพุทธเจ้าอายุยืนอย่างพระทีปังกรทุกวันก็ยังอยู่มาถึงนี้ยนะแล้วก็ ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์งนหนึ่งในอนาคตเท่นั้นเองมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นมนโนปณิธานที่อยู่ภายในใจของพระองค์ตั้งแต่เป็นทุ ก, กะตะบุรุษเป็นสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งเดินทางโดยเรือดเดินสมุทรแล้วก็เรือเกิดแตก แล้วทานก็ไปกับแม่ก็แบกแม่ขึ้นบ่าแล้วก็ว่ายน้ําเอาคนแก่ขึ้นบ่าว่ายน้ําเนี่ยไม่จะสนุกนะฮะไม่จะว่ายง่ายนะ ว, ยนะว่ายากกันนะวันท่านก็พยายามพาแม่ขึ้นท่งฝั่งให้ได้แต่ว่าเห็นคนอื่นกําลังตกลงไปทีละคนสองคนตัวเองก็ช่วยอะไรใครไม่ได้นะฮะเพราะว่าแม่คนเดียวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วมันเกิดมนโปนปฏิธานขึ้นมาที่จะช่วยเหลือคนใหลุดพ้นจากสังสารทุก เพราะท่านจะต้องทําตัวเองนะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์เสียก่อนเพราะการตกน้ําการจมน้ําเนี่ยมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากความเกิด่คนเราถ้าไม่เกิดก็ไม่จมน้ําตายหรอกไม่ถูกรถชนตายหรอกปัญหาอุบัติเหตุทั้งหลายสึกสงครามทั้งหลายมันมาจากการเกิดทั้งนั้นนเพราะนั้นท่านก็คิดไปไกลว่าท่านต้องไม่เกิดมาแต่เกิดมาแล้วมันอดจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่ได้หรอก ในสุดก็คิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็เปล่งวาจาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีมาจนบา ร, รมีแก่กล้านะฮะบา ร, รมีแก่กล้าในชาติที่เป็นสุมเมตธรรมนบมาพบกับพระเจาปทีปังกรพุทธเจ้าในตอนนั้นด้วยบา ร, รมีเยอะแล้วสามารถออกบวช แล้วก็บรรลุมรคผลเป็นประหานในศาสนาของมาฐีบางกอพุทธเจ้าได้นะฮะแต่ไม่ ย, มยอมตัดช่องน้อยแต่พอตัวขอแสวงหาบารมีทมอีก4ี่อสงไขยกับก็ไม่แสนกลับเพื่อจะได้สัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้สอนสัตวโลกแล้วก็สอนได้เป็นสี่สิบห้าปีแต่นั่นเองก็นิพพานแล้วศาสนาก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ แต่ถ้าเทียบเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกอายุก็ต่างกันนะศาสนาปฏิปังกรไม่แน่ใจนะฮะว่าบริสสถานพระวินัยไว้หรือไม่เพราะมันนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าบางองค์ในท่านไม่มีวินัยนะศาสนาท่านเนี่ยอายุท่านยืนก็ไม่มีบัญญัติะวินัยเอาไว้พระเจ้าเราบัญญัติวินยัยแต่ประชชนอายุสั้นแปดสิบปันศาตานั่นเอง ก็ในสมัยที่เป็นสุลเมธมนุษย์เนี่ยก็ เ, เรียกว่าอะไรเป็นเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเพศแล้วก็มีบารมีที่จะออกบวชเป็นพระาันได้แล้วก็อยู่ในเพศงนักบวชแล้วก็สมบูรณ์ด้วยคุณคือได้พิญญาแล้วก็มีเขาเรียกว่าได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้า แล้วก็มีฉันทะตาคือความพอใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดเลยแล้วพร้อมจะทำอะไรก็ได้ก็ตามนะฮะทำได้สารพัดขอเพียงแต่ให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมะสมุทานคือการประชุมพร้อมของคุณสมบัติพิเศษแปดประการด้วยกันมาณเมื่อ ตั้งความปรารถนาในสำนักปฏิปังกอนพุทธเจ้าก็ได้รับการพยากรณ์ทําให้สําเร็จเนี่ยเขาไม่พยากรณ์หรอกนั่นก็แสดงให้เห็นถึงบา ร, รมีในดีของท่านและแสดงว่าทุกอย่างในศาสนาพุทธเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากบา ร, รมีถือเนื่องมาจากกรรมพวกแง่สืบเนื่องมาจากกรรมที่คนกระทาเอาไว้นั่นเองต้งฝั่งทั้งหลาย แต่รวงพบทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ขังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี